ท่านสาธุทธ บ, บริษัททั้งหลายเรื่องยังมีอีกนิดหนึ่งสำหรับเรื่องออกจากพนักครวันนี้ก็คงยังเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อไปกว่าจะจบก็เห็นว่าจะไหลวันหน่อยเพราะเรื่องราวของพระเวสสันดรนี่มีมาก <c oughs> แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ฟังกันนาน เป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมาสีขึ้นราชรถและก็สะเสด็จออกจากพระราชนิเวศตอนนั้นพระนางมพระเวสสันดรให้เ่าไหว้กัมบรรดาประชาชนก่อนออกไปกเกาเลี้ยวหลังมันดูพระคนครเป็นวาระสุดท้ายก็ <c oughs> เข้าใจว่าตอนนั้นพระเวสสันดร คงยังไม่ได้เจริญฌานสมาบัตยิยังคงไม่ได้ทิพยคุยานแต่ว่าชาติก่อนๆท่านได้พัญญามาเสมอแต่ว่าชาตินี้ทําไมไปปล่อยซิก็ไม่ทราบเล่าเรื่องของต่อไปว่าขณะที่เสัเด็จออกจากพระราชวิมล น, นิเวศ <c oughs> นะไปกันสี่ท่านโดยกันคือสี่กษัตริย์อันนี้ไม่ใช่หกษัตริย์ สี่กษัตริย์คือพระเวชนดอนพระนามศซีท่านกัญหาและชาลีแล้วก็มีม้าเทียมประเดรถมีคนขับรถเปล่าไม่ทราบก็ไม่มีใครไปด้วยเพราะไปได้วยกันสี่องค์ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีคนดีตอบอีกสี่คนยังมีคนดีสีด่ดีคนดีสี่ดีก็คือมีพรามสี่คน ตั้งใจจะมารับทานจากพระเวสสันดรในขณะที่พระเวสสันดรให้สตตดกมหาทานแต่ว่าพ่อเทวดาร้ายสี่คนนี้มารับทานไม่ทันพอรู้ข่าวว่าพระเวสสันดรพระองค์สเสด็จไปด้วยรถส่งก็รีบรีบติดตามไปอไอ้คําว่าพราหมณ์นี่มันไม่ใช่หมายถึงดีเสมอไปพราหมณนี่ครับแปลว่าประเสริฐ มาจ็กพรมแต่เจ้าสี่คนนี้คนจะเรียกว่าพรามหาความดีไม่ได้หาความประเสริฐไม่ได้แกทราบข่าวว่าพระราชพระเวสสันดรเสด็จไปมีรถส่งก็ติดตามไปได้ตั้งใจจะไปขอพระยาฐานมาเออก็ ด, ดีไมืนกันรถจะต้องใช้มาลาก แต่เจ้าหนี้ก็ใจดีจริงๆนะตั้งใจไปขอมาเมื่อพระเวสสันดนรยังได้ตัดกับพระนามัสสีไว้แล้วว่าให้คอยดูเผื่อว่าจะมีคนยากจนตามมาบ้างนี่ว่าเป็นอันว่าพระองค์ไปก็มีทรัพย์นิดหนึ่งติดตนไปแต่ว่าน้ำพระทัยก็มพระเวสสันดรก็ยังเปี่ยมบริทานบารมีสั่งพระนามัสสีว่าน้องรัก เ่อดูนะหากว่าการให้ทานของเราไม่ครบคนอาจจะมีคนยากจนติดตามมาภายหลังพอะทรงทราบว่าพรามสี่คนยากจะได้มาจึงได้ทรงหยุดรถปลดมาพระราชทานให้กับพรามสี่คนไปแด้มาเตียเทียมรถสี่ตัวรา ม, มาสี่คน พระราชาก็ทรงพระอุทานมาทั้งสี่ตัวนี่ความจริงถ้าไปนคนดีนะเขาไม่มาตามรับคําไม่มาตามขอแต่ว่านี่เป็นคนเห็นก็ตัวจริงๆให้คนเมืองแขกที่มันต้องน่าคิดเขาบอกพราม์เป็นวันณะเบอร์เสรดแต่พราหมบเบอร์เพื่อนนี้เป็นวันณะที่ไร่มันสมองไร้ฝัน้าไล่ความคิดไร่ปัญญา มุ่งหน้าแต่อยากจะได้อย่างเดียวใครจะไปยังไงก็ช่างพูให้จะลำบากยากแค่ไหนก็ช่างขอฉันได้เท่านั้นเป็นพอเป็นว่าเป็นเรื่องของท่านทอนนี้ทำยังไงละ่ะเทว ด, ดาเป็นตัวเจ้ากี่เหล่าการนี่ขับไหลสับสาไล่ส่งต้องการให้พระเวสดนดอนบรเพรเนฆะมะบารมี แล้วให้บุตรเป็นทานให้ปัญญาเป็นทานเมื่อพระเวสสันดรพระเจ้าทานมาแดงสี่ตัวไปแล้วรถที่ถูกม้าดึงเขาถูกม้าเอามาออกไปไม่มีม้ารองรับถ้าตามปกติงอนรถจะต้องตกลงตกลงมายันพื้นดินเ็ินดูเกวียนก็แล้วกัน เกวียนที่เขาลากเราเกวียนที่เขาใช้ลากโดยโคกระบือถ้าไม่มีโคกระบือรองรับไม่มีไม้คำ้ำงอนของเกวียนก็จะต้องลงมาม า, มาเรียกว่ามาชนดินจะเรียกว่าทิ่มดินมันก็จะไม่ไถลภาษาชาบับม้แล้วทิ่มดินเรียกว่าจะวางวันผ้า พ, พื้นดินมันจะลอยบรรยากาศไม่ได้ แต่ว่าการให้ทานเขา่าเวท ส, สันดรคราวนั้นมีสิ่งประหลาด <c oughs> ลวเวลาที่ม้าและรถม้าเขาดึงออกไปแล้วงอนรถก็ตั้งอยองเฉยเฉยไม่ท่วงจ ง, จ ง, จงลรมมลงมาถึงที่ดินนะเหมือนกับมีอะไรรองรับอยู่หรือมันก็มีไม้คำ <c oughs> แต่ว่านาสีที่เอามาเป็นหลักฐานในการบรรนาบันทึกคราวนี้ ปรากฏว่าท่านตัดตอนนี้ทิ้งไปขอยเห็นว่ามันเป็นการอัศจรรย์เกินไปแต่มังที่ไม่เขียนไว้ก็ต้องคิดในบางเอื่นนะเป็นการบางเอื่นเ่าเคยค้นคว้าเทศมาก่อนในการก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องที่คุยจะขาดไปเยอะนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จตัวทรงสวัตรีโสภาคตรงแต่ว่ า, าศาสนาของเราที่จะสลายตัวนี่ไม่ใช่ใคร คือลูกของนัทธาโคตันเองเป็นผู้ทำลายได้แก่วิสุวิสุนีอุบาสุกอุบาสิกานี่เห็นได้ว่านาะเสเลมนี้ดีกว่าเดมก่อนแต่ก็ยังขาดไปมากว่ากันต่อไปเมื่อเวลาที่พรหมเอามาไปแล้วตอนนี้ก็ร้อนใจทึงเทวดาดีแล้วระคุณดีแล้ว ร้อนใจถึงเทวดาตอนนี้ต้องว่าพาสิปรานมาทุกโตทุ ก, กตาทุกขะ ท, าท่านนางเทกอทุกขังภายหลังจะพึงได้ถ้าชอบสุขสงบสุขก็เย้ทุกคะท่านก็เยอยู่สํารานภัยผ่านบ่ห่างใกล้มันกงเกวนกำกองเกวียนมันยังเบียนสนองเอาละเอาแอค่นี้ก็พอที่หาวหนอเรื่องนอกราวเป็นนว่าร้อนถึงเทวดาต้องแปลงเป็นละมั่งเข้ามา สวมก็ไปนในแอกมา้าดีแล้วเป็นเทวดาวสี่องค์แปลงเป็นละมั่งก็มาเข้าไปแทนมา้านะแล้วก็พารถวิ่งไปออ <c oughs> <c oughs> ืืมดีเทวาดาเป็นมา้าเป็นล่ารถซะบ้างกนดีอยากยุ่งนักเป็นว่าเหตุการณ์ของพระเวสสันดรเกี่ยวกับคนที่เห็นแก่ตัวมันก็ยังไม่หมด องส์สมเด็จพระบระมสุคตยทร ง, งตัดต่อไปว่าเรื่องราวมันยังไม่สิ้นของการให้ทานต่อมาก็ยังมีพรามอีกคนหนึ <c> ่ง <oughs> มาเห็นพระเวสสันดรขี่รถสวยก็อยากจะมีรถมั่งจิงขอพระยาทานรถจากพระเวสสันดร น, น, นั่นนะดูไหมถ้ามายืนขวางหน้าและขอพระยาทานรถพระองค์ก็ทรงให้หยุดรถ แล้วก็พาพระนามาสัสสีกับกัญหาและชาลีลงมาเจอรถแล้วก็สมงพระราชทานรถให้ไปเอ้ยก็น่าดูนะพระคุณนะน่าดูนะ <c oughs> แต่ว่าตอนที่พระราชาทานรถนี้ <c oughs> พอให้รถปรากฏว่าลมั่งทั้งสี่ <c oughs> ก็หายไปละมั่งนี่ไม่ยอมรับรถให้คนอื่น <c oughs> นอกจากรถพระเวสสันดร องสมพระเจ้าทานให้ไปโดยที่ไม่หวันไว้หรือว่าทอ่ทอท่อพระไทยเลยท่านนี้ว่าตั้งใจเกิดมาเพื่อเสียสละจริงๆขั้นแล้วพระเวสสันดรก็ส่งอุ้มพระกันหาพระชาลีพระนามสศีก็ส่งอุ้มพระกันหาเพรากันหาเป็นน้องตัวเล็กหน่อยรัดปลาใส่กันด้วยถ้อยคําที่น่ารักบายพระพรัก ตรงไปยังเมืองแดนป่าหิมะผ่านตอนนี้ท่านบอว่าจบมาจบกันธนกันตอนนี้ก็ขึ้นวันนประเวทวันณนะวันวอแหวนธนากาศนอนเนี่ยนอนหนูก็แปลว่าป่าวันณประเวศก็แปลว่าเดินป่า <c oughs> มีกี่กันก็าช่างมีกี่กระถาไม่สำคัญ เปะนนั้นว่าเมื่อกษัตรว์ทั้งสองเตะทอดเป็เนตเห็นพวกมนุษย์เดินสวนทางมาจ้าที่ส่วนตัดถามว่าท่านทั้งหลายเขาวงกฏเนี่ยอยู่ที่ไหนในการจะไปนี้ต้องการไปเขาวงกฏท่านทั้งสองก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงได้กราบทูลในทราบว่าเขาวงกฏน่ยยังอยู่ไกลกว่านี่มากนักพระเจ้กขะ เป็นนั้นว่าพระราชาโอรสและพระราชนิธนธาทั้งสอง <c oughs> ได้เห็นไม้ที่มีผลต่างๆผลดกมากแมถ้าเป็นต้นไม้อย่าประเทศไทยก็งโคลนแบบนี้ดับพังไม่มีอะไรกินแต่เวลานั้นต้นไม้ก็มากผลก็มากดอกก็มากงามสะพังไปหมดจิงได้ร้องให้อยาจะได้ลูกไม้ยากจะได้ผลไม้ แต่ว่าดอกไม้ก็ดีผลไม้ก็ดีมันโย่โสงูงทำยังไงล่ะพระเวชเส้นดอนเจตกายก็ไม่ถนัดพนนามัศีก็ไม่กล้านักที่เจตกายต้นไม้ตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทวดาแต่ว่าเดวเทวดาก็ต้องใช้อานุภาพอื้เสว่าอานุภาพของรเวทส้นดอนต้นไม้นั้นก็น้อมกิ่งลงมาใกล้แค่เอื้อมเื่อเอื้อมถึง แต่ว่าตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านบอกว่าเป็นอนุภาพของเทวดาบรรดาไม่ให้วัานางมาสีด้วยพระเวสสันดรต้องต่อยต้นไม้ <c oughs> ทำให้ต้นไม้นั้นโอนลงมาให้ดอกและผลของต้นไม้นั้นเรื้อมได้แบบสสบายไม่มีความลำบากเป็นนั้นว่าท่านชักนำให้ออกท่านก็ต้องเลี้ยง พรงค์ก็ทรงเลือกผลไม้ต่างๆพระราชทานกับพระราชโอรสติดาทั้งสองพระนางมัสสีรู้สึกเป็นมหาสัจจันทร์อย่างยิ่งเพราะว่าน้องหญิงมัสสีเนี่ยังไม่เคยไม่เคยเห็นอนุภาพแบบนี้ <c oughs> แต่ตามนังสีเรื่มนี้ท่านบอกเป็นอนุภาพของเวสสันดรก็ไม่ผิดต่อเป็นความดีของพระเวสสันดร ได้จากบาลีหน่วยหนึง่งท่านบอกเทว ด, ดาบรรดาลก็ถูกที่ว่าเทวดาบรรดาลให้เพราะว่าพระเวสสันดรดีถ้าพระเวสสันดรไม่ดีเทว ด, ดาก็ไม่ช่วยฉะนั้นอย่ากล่าวว่าเป็นอนุภาพของพระเวสสันดรก็ถูกเป็นอนุภาพบรรดาลจากเทว ด, ดาก็ถูกก็ให้ถูกเสหมดมันก็หมดเรื่อง ต่อไปที่ยังกล่าวต่อไปว่าระยะทางจากกรุงเชคุน ด, ดอนคือกรุงสีพีเมื่อถึงอ่าถึ ง, าถงมา อ, าอา่อ่อาทวายเขียนถ้า่าถึงมาตุรนคร น, นั้นประมาณสามสิบโยต์คือหมายความจากกรุงเชคุนดรนคือนครสีพีกรุงสีพีป่าถึงเจตราชคือเจต เ, เจตปฏเท เจตราตราชเจตประเทศคือเมื อ, องเขาบินดามันดาเขาว่านามสีห่างประมาณสามสิบโยชน์สามสิบโยชน์ดดนี่ก็ประมาณสี่ร้อยแปดสิบกิโลเทวาดาก็ช่วยระยะย่นขนทางลงให้เหลือเพียงแค่เดินวันเดียวถึงความจริงคำว่าย่นทางนี่ก็ถูกตามภาษาชาวบ้าน แต่ว่าจะพูดกันจริ ง, รงๆก็เทวดาบรรดาลให้เดินเร็วขึ้นโดยอารภาพของเทวดาเดินวันเดียวก็ถึงแคริยะทางแปด่าสี่ร้อยแปดสิบกิโลสี่กระสั์ก็เ ส, สด็จพระราชดำเนินนับตั้งแต่เ ช, าช้าชั่วเย็นก็ถึงประเทศแคว้นเจตรัฐเมืองบินดาบรดาของพระนางมัสซี <c oughs> อันนมนอรมาตุานครเป็นว่าเมืองบิดามันดาขอานามสีนี้เขาเรียกกันว่าแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทที่มีความเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์มากเป็นนิวาสถานของเจ้านายถึงหกหมื่นพระองค์พระเวสสันดรก็ไม่ได้สเสด็จเข้าไปในพระนครแต่ก็ทรงระทับอยู่ที่บรรษัลาใกล้ประตูเมือง อ่าอ่าสว่วนบรรามสีก็ทรงจินตนาการคือคิดว่าจินตนาการจินตนาการคิดคิดด้วยใจทำการคิดเื่าเราควรจ ะ, สะแสดงตัวให้ชามนรกรทราบว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจริงรเสด็จออกไปประทับยืนอยู่ยริ ม, มประตูบรรณศาลาผู้คนนี้ผ่านไปมาโดยเฉพาะภู้สตรี เห็นบรรณามณสีเข้าต่างก็พากันมาห้อมล้อมดูยืนกันเป็นวงแล้วพูดจากันว่าพระแม่เจ้าสวยงามเป็นสุคุมารีชาติเชนไหนยิ่งต้องมาทรงดำเนินในภายชนี้และพระเจ้าค่ะอืมเตยก็พูดกันไปพูดกันมาแล้วพูดกันต่อต่อไปว่าคนสวยๆแต่งตัวสวยๆ ถ้าทางเป็นผู้ ด, ดีมีความสุขเป็นสุขสุขุมอรชาตต้อมาเดินป่านี่มีความลำบากข่าวมันภายในไม่ช้าข่าวการเสด็จมา ข, ของพระเวสสันดรก็แพร่เข้าใจเข้าไปถึงพระนครเข้าไปในเมืองเจ้านายทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามความเป็นไปกันเพื่อได้ฟงส ن ับคําที่ตามที่พระเวสสันดรทรงตรัส ว่าถูกบรรดาประชาชนในประเทศให้ออกจากประเทศก็มีความเสียใจนะไปตามตามกันได้ชวนเทิญน่ทูลได้ทูลเชิญให้ประเวทสันดรเสด็จประทับสำราญเิธียาบทในพระนครหมายว่านี่ขอให้พักในเมืองนี้เถอะผู้ประสาทไทยและก็จะมอบภารากิจในการปกครองให้ประเวสสันดร ใน ว, ว่ามีความเข้าใจว่าพระเวสสันดรกับเมืองโน้นขัดใจกันเมืองนี้เป็นเมืองของมราเมซีนะไม่ใช่เมืองอื่นสําหรับพระเวสสันดรยังได้ส่งตัดว่าเราขอขอบพระทัยท่านนารายแต่ว่าขอท่านนารายได้โปรดอย่าให้เราได้ปฏิบัติตามคําที่ท่านขอเลยขอได้โปรดให้เราทําตามพระบรมราชองค์การของพระราชบิดาเถิด อย่าได้ทรงวีตกในเรื่องข้อกรรมของเราเลยตอนนี้ก็ต้องคิดฟังของท่านต่อไปบรรดาันรลักษบรรดาอะไรบรรดากายสัตว์อย่างายที่ไม่ยากเของมานามาสีจิงได้ทูลแต่ว่าพวกข้าพระองค์จะขอกราบทูลพระยจาทานาพยโทษให้ผู้เจ้าผเจ้าตาในเราได้เขาโทษนะ ขอพระองค์จงเสเด็จประทับอยู่ในพระนครนี้เถิดชั่วคราวก่อนแเรื่องแล้วก็เรื่องทั้งหมดให้คอยเป็นภารลธุระของข้าพระองค์ที่จะจัดการเองพระเจ้าค่ะพระราชาบิดาจะทรงยินยอมแล้วไม่ก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าบรรดาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไปกราบทูลพระราชาบิดาก็ยินยอมพร้อมใจ ให้กลับไปสู่พระราชนิเวศตอนนี้พระเวสสันดรทัชบัญเพลินในขมะบบรมีแล้วก็จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานตอนนี้เทวดายันไว้ต่พระเวสสันดรยิได้ตัดว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าพระราชวีดาของเรา ก็ไม่ไทรงเป็นอิสระในเรื่องนี้ชาวเมืองต่างหากที่มีประสงค์จะกำจัดเราเสียบรรดาพยาเจตระรหตนานั้นจะได้กราบทูเพระมันว่าข้าแต่พระองค์พระบเสษถ้าพฤติการของชาวเมืองเป็นเช่นนั้นใสชาวเจตระรัตน์นี้ก็จะขอถวายตัวเป็นข้าราชบริพาร ขอเชิญพระองค์สันเด็กรองราชสมบัติในเจตรัฐนี้ก็แล้วกันได้โปรดขอได้สมโปรดปลงงพระอาไทเพื่ อ, อตัดทิ้นใจในเอื้อเฟื้อแก่าเอื้อเฟืองแก่กพวกข้าพระเจ้า <c oughs> ในเถิดสำหรับพระเวชสันดนยินดีตว่าเรามีความประสงค์อย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไปยังขวองกฏ ทำเชิญของท่านหลายครั้งนี้นับว่าเป็นความปรารถนาดีอย่างที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนใจครองรา้สมบัติในนครเจตระรัตนีก็จะเกิดการบาดหม า, างกันร้ายแรงขึ้นสงครามมาไ ร, ร่กัดระหว่างชาวศีพีกับเจตระรัต์ก็จะเกิดขึ้นกันเอจะต้องเกิดขึ้นแ น, น, น, น่มาหาชนก็ต้องต้องข้าวฟันทึ่อะไรกันเพราะเหตุตัวพวกเราคนเดียว อันเป็นผลร้ายอย่างสุดซึ่งที่ไม่อาจจะคายเสนดได้ทางที่ดีที่สุดก็คือขอให้ท่านจงช่วยชี้ทางที่ไปยังเขาววงกฎกับเราตามพระบรมราชองการเถิดยืนยันความเห็นท่านยาวมากอันนี้ไม่ขอวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แล้วจะไปกระทบกระเทือนใจใครเข้า ต่อไปทึากล่าวว่าแม้พยาเจตราชจะก ร, า, ราบทูลวิงวอนสัตราชทรายก็ตามไม่ก็ไรผลอเพราะว่าพระเวสสันดรตั้งใจไว้อย่างนั้นนะแม้กระทั่งในจัดการต้อนรับอย่างสมกเกียรติได้พร้อมกันเพื่ดาบเริดาบรรณาสัลลนั้นกั้นพระวิสูขคือกั้นมานจัดเพื่อแท่นบรรทมแต่ไว้ความเมตต์อรอมอลขาอย่างดียิ่ง พระรุ่งเช้าก็ตัดจัดถวายพระกยาหารอันเลิศรถประการต่างๆันแล้วก็พากันแวดร้อมกันโดยเสด็จตามเสดิจเสด็จไปสรงจนถึงประตูป่าหิมะผ่า น, นประตูป่าแล้วก็ได้พนาป่าถวายใจความโดยย่อ ก, ก็มีว่าข้าแต่มหาราชจากนี้ไป ขอเชิญพระองค์จรงทรงบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรคือทิศเหนืออย่าเสด็จผ่านภูเขาวิบูลวันพศและแม้ถึงจะมีแม่น้ําเกเ ก, เกตุมาวดีนะเกตุมะวดีตุมะนะเเกตุมาวดีนะเข า, าอัดตุมกับตุมกับเขาอันเป็นที่น่ารักเรื่องลมสําราญพระเทศไทยจากนั้นจะไปถึงภูเขานาลิกบันพศ จะมีหมู่กินนรีมากมายแล้วก็มีสระใหญ่เต็มไม่ได้บัวขาวกลินหอมโหนประกอบประกอบไป่ได้หมู่วิหกนกต่างๆประกอบไปในหมู่วิหกนกร้องประสานเสียงเล่นอยู่ในในไพรอย่างนั้นก็จะไปทิ้งสาบโอกรณีมีท่านานที่มีท่าน้ํำนา่ า, า, ารื่นรม เมื่อพระองค์ทรงสร้างบรรณาาราที่ประทับแล้วก็จะได้บำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพยโยนดย้วยมูลพลาหารคือไวผลไม้เนะี่ยมันเยอะผลไม้มีมากมายไม่ต้องหาลำบากเปนว่าขาวงกฎนี่มีควา ม, มสมบูรณ์ขันมะพยาเจตราชได้ตั้งให้นายเจตบุตร้หนึ่งซึ่งมีแม่นประตู มีความทนทัดเจตเจในป่าอยู่รักษาทางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูออกไปติดตามพระเวสสันดรได้แม้ได้คนที่ตั้งไว้จะอัานซื้อออกสักหน่อยก็ไม่ได้อิตาเจแต่บุตรทก้อัานซื้อออกมาเลย <c oughs> ว่ากันไปว่าเรื่องท่านมีว่าเมื่อพระเวสสันดนตรตัดขอบพระทัยพระยาเจตราธทั้งหลายแล้ว ก็ทรงพาพระนางมัสสีและพระราชโอรสทั้งสองบายพระพักตรงมุ่งไปตามคำบอกเล่าระยะทางจากเจตระลันครถึงประตูป่านั้นประมาณสิบห้าโยต์หมายโยต์สี่ร้อยเซนจากนั้นก็ได้เสด็จจากนั้นก็ได้เสด็จไปตามลำดับในที่สุด ก็บรรลุถึงสาบ ป, ปรณีตามคำบอกทุกประการแล้วก็ดีทรงพบบรรณสลาอันเป็นที่อาศัยอยู่ของบัมฑิตใช่ไหมซึ่งเทว ด, ดาวนิ้มิตรไว้เทวดาเทวดาไนี่มิรมิตรนอนนิยมิตรไว้ให้ตามบัญชาเขาเท่าสกัดเทวราชได้ความจริงนิดหนังสือนี่ย่อไปนิด ก่อนที่พระเวสสันดรจะสเสด็จมาถึงภูเขาวงกฏนี่ก็เรื่องของเทวดาช่วยเทวดาช่วยเดินมาอีกเวลาใช้เวลานิดเดียวก็ถึงแต่ก่อนที่จะมาถึงก็ปรากฏว่าพระอินทร์ก่อนที่ท่านจะมาเกิดในพระอินทร์ไปเชิญท่านมาตอนนี้พระเอ็นว่าพระอินทร์เห็นว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีใหญ่ ยิงได้สั่งวิศนุกรรมเทพบุตรมานิรมิตรบรรสาลาไว้สองหลังแล้วก็มีเครื่องดาบพร้อมหลังหนึ่งมีนามสาลาของพระเวสสันดรหลังหนึ่งมีนามอคิเมสีบอกว่าเป็นสาลาของพระนามาสีมีเครื่องใช้พร้อมทุกอย่างและพระอินท์ก็สั่งวิศนุกรรมเทพบุตร ว่าสัตว์ร้ายทั้งหมดจะเป็นเสือเป็นสิงไม่อะไรก็ตามที่เอพื้นพึงทางอันตรายกับพระเวสสันดรก็ดีพันนามาสีก็ดีกันาหาดชาลีก็ดีจงอย่าให้อยู่ในบริเวณที่พระเวสสันดรและพระนามาสต้องหาอาหารแล้วก็บริเวณที่อยู่ถึงแม้ว่าจะมีสัตว์เสือสิงทั้งหลายก็ต้องเป็นสัตว์เสือสิงที่มีกำลังใจดีไม่ทำอันตรายชีวิตกระสีกษัตร นี่เรื่องราวท่านว่าไปอย่างนี้นะ่ะนเรียกว่าน่องสือนี่ขาดไปพระช่างบะไรข่ายก็ขาดแล้วก็หวาแล้วไปตามที่จําได้จําได้หมดแล้วไม่หมดก็ช่างเป็นนั่นว่าในเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏมีเครื่องแบบบนใบชิดคือเครื่องแบบเรือสีอยู่ที่สลานั้นเพราะว่าเทวดานิลมิตไว้ให้ตามบัญชาของพระอินท์ ร่องก็ทรงสนิษฐานว่าก็ทรงไม่ไนยังมีสนิฐานนะก็ทรงทราบด้วยขายานว่าเทวดาช่วยความจริงที่ตรงนี้ความจริงมันไม่ค่อยจะสวยแต่สายวิถีศิกรรมเทพบุทรทาทุกสิ่งทุกอย่างสวยไปหมดจะมีสพัพทกบุคีมีดอกบัวมีใบบัวมีสวนดอกไม้นานาชนิด เป็นที่น่าเรื่อนรมจริงๆดีกว่าในพระราชฐานและเป็นที่สงบสงัดสัตว์ทุปรเภทปรากฏตัวเห็นแต่ไม่มีอันตรายสามารถจะไปมิกกันได้กับสองกุ ม, มารคือกันหานชาลีว่าปีนิดหนึ่งเทวดาช่วยจึงให้มิจึงให้บรร น, นางมัตสีประทัดอยู่น้าผาโนสลาและก็สะเสด็จเข้าไปกันใน ทรงเครื่องแพระขันและเครื่องทรงออกแล้วก็ทรงพรองทรงคลองผ้ากากรองอธิฐานเพื่อเป็นบรรปายชิดแล้วก็ทรงลำหนึ่งว่าการบรรปายชาเป็นสุขหนอส่วนแนามัสีก็ปฏิบัติชิ้นเดียวกันนับแต่ทว่าประทัดโยนนอกอาสมพร้อมด้วยพระราชโอรสอันิพิษ ตอนนี้ผิดมีอาสมอยู่อีกสมหนึ่งอีกหลังหนึ่งไม่ใช่นอกอาสมไม่ใช่หลังเดียวกันเพป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนางสีเขาเขียนทรงเด็กเไว้แต่ก็ไม่เป็นไรจําได้ก็มาบอกกันให้มันถกูกเพป็นนั้นว่าเวลานี้มองดูเวลาบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทก็หมดสีแล้วสําหรั บ, บวันนี้นะ ก็ต้องขอลาก่อนฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผ ล, ลจงมีเดวันดาเทพุทธศาสนิกชนรับฟังรับฟังทุกท่านสวัสดี